อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาอัปปมาโทกะธรรมมสุติอีณบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการต้อนรับอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธานหนักแน่นในพระพุทธศาสนาซึ่งเดินทางมาวัดในวันพระถามว่ามาเพื่ออะไรตอบว่ามาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีอันมีประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดีที่เกิดจากทานความดีที่เกิดจากศีล ความดีที่เกิดจากการภาวนาถ้าเป็นความดีแล้วท่านทั้งหลายมีความตั้งใจจะบำเพ็ญให้เต็มที่วันนี้เนื้อหาสาระในพระธรรมเทศนาจะปลารบประเด็นสำคัญเพียงสองประเด็นก็ให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟัง ให้สมกับเป็นวันพระความตั้งใจให้ดีเนี่ยควรมีให้มากที่สุดทําให้เต็มที่ในวันพระเพราะชื่อวันก็บอกแล้วว่าเป็นวันพระคำว่าพระนั่นแปลว่าอะไรญาติโยมถามใจของท่านบ้างหรือเปล่าว่าวันพระนั่นแปลว่าอะไร คำว่าพระนั้นแปลว่าประเสริฐความประเสริฐเกิดจากอะไรความประเสริฐก็เกิดจากความดีพร้อมคือความดีที่ไม่บกพร่องถามว่าอะไรดีก็ตอบว่ากายวาจาและก็ใจดีพร้อมกันไปทั้งสามด้าน ไม่ขาดตกบกพร่องด้านหนึ่งด้านใดใจจะคิดอะไรในวันนี้ก็ขอให้คิดดีเพราะเป็นวันที่ญาติโยมมาเข้าใกล้พระจะพูดจาพาธีก็ต้องพูดจาเฉพาะเรื่องดีๆจะทำเรื่องใดๆก็ต้องทำให้ดีๆให้สมกับเป็นวันพระเ <c oughs> พราะว่าพระแปลว่าประเสริฐ ประเสริฐก็เกิดจากความสมบูรณ์เป็นความดีที่สมบูรณ์ที่เกิดทางกายทางวาจาและที่เกิดทางใจถ้าหากเป็นวันพระญาติโยมทั้งหลายเกิดปล่อยใจให้คิดเรื่องที่ไม่ดีพูดคำที่ไม่ดีทำเรื่องที่ไม่ดี ก็กลายเป็นว่าเราประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะวันพระซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแต่กลับปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะไม่มีโอกาสเข้าถึงดีดังที่ว่ามาแล้วก็เรียกกันว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมือนในการฟังเทศขณะ น, นี้ญาติโยมก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีถ้าญาติโยมตั้งใจฟังไม่ดีก็แสดงว่าโยมก็ยังไม่เข้าถึงพระยังมีอะไรสกัดกั้นญาติโยมอยู่ธรรมะก็เลยไม่เข้าไปทางหูญาติโยมหรือเข้าไปทางหูก็เข้าทางซ้ายก็ออกทางขวาเรียกกันว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูฝา ถ้าผู้ใดทําไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้หูสูรไม่เรียกว่าเป็นคนฟังธรรมะมากแต่จะเรียกกันว่าเป็นผู้หูรูดเข้าข้างซ้ายกับรูดออกข้างขวาแม้จะเข้าวัดเข้าวาเนเป็นสิบสิบปีก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุ ถ, ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ฉะนั้นญาติโยมก็จะต้องตั้งอกตั้งใจฟังให้สมกับข้ออุเทศที่อัตมาภาพได้ยกขึ้นไว้ในตอนต้นว่าอัปปมาโทจะทำเมสุซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทนั้นจะต้องมีในทุกๆเรื่องทำเมสุ ก, ก็แปลว่าในธรรมทั้งหลายธรรมะในที่นี้หมายความว่าเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆที่เราได้ฟังที่เราได้เห็นเราต้องไม่มองข้ามจะต้องทันความไม่ประมาทในเรื่องเหล่านั้นให้มากเอายกตัวอย่างว่าเราก้าวเข้ามาวัดเดินเข้ามาทางหน้าวิหารหรือพระวิหารหรือทางหน้าเมน ญาติโยมก็จะเห็นว่ามีการกางเต็น์มากกว่าปกติมีพวงรีดมีพวงมาลัยซึ่งอยู่ข้างในอีกก็มีเห็นเรื่องนี้เห็นสิ่งนี้ต่อหน้าต่อตาญาติโยมก็ไม่ไม่ควรจะก้มหน้าก้มตาเดินเผื่นไปเฉยๆควรจะได้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าไม่ประมาทในเรื่องทั้งหลายถ้าหากว่าโยมหยุดคิดสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าอ้อโยมแม่ของท่านเจคุณคือพระเดชพระคุณท่านเจคุณพระพรมบัณฑิตท่านถึงแก่กรรมข้าพระเดชพระคุณท่านจึงนำศพของโยมแม่ท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้มีการสวดเป็นประจำทุกค่ำคืนเวลาสิบเก้านาฬิกา เมื่อคืนที่ผ่านไปดูเหมือนจะเป็นคืนที่สามญาติโยมอยากจะมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยญาติโยมก็มาก่อนเวลากันหน่อยมาก่อนเวลาก็ฟังท่านพระครูวิเชียนท่านเทศเรื่องต่างๆท่านจะนั่งเทศเดินเทศในตอนนี้จะไม่นั่งบนธรรมะเทศต้องรับญาติโยมพระเถระรูปใดมาท่านพระครูวิเชียนท่านก็ต้องทักทาย บัดนี้จะประคุณสมเด็จลูกนั้นลูกนี้มาแล้วบัดนี้คุณหญิงนั่นมาแล้วท่านผู้หญิงนี้มาแล้วบัดนี้ท่านในพลทองย้อยมาแล้วอะไรเงี้ยท่านพระกุยเฉียนท่านจะทักทุกค่าคืนในยมมากันแล้วจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระซึ่งเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเทศ และที่สาคัญก็คือว่าญาติโยมเนี่ยเราเป็นชาววัดประยุรวงเราจะต้องไม่ทอดทิ้งกันมีอะไรเกิดขึ้นโยมจะต้องสดับรับรู้ช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องของความพัดภากจากพ่อจากแม่เนี่เป็นเรื่องสาคัญในโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมไม่มาให้กำลังใจกันเลยเนี่ยก็เรียกกันว่า ยังแรงน้ำใจกันอยู่อันญาติโยมก็ควรจะมาฟังเทศฟังธรรมมาร่วมงานกันหน่อยไม่ใช่ว่าโยมออกจากที่นี่ไปที่อื่นแล้วก็มีโยมถามว่านี่คุณไปร่วมทำบุญงานศพโยมแม่ท่านจะคุณท่านหรือเปล่าโยมก็ตอบแบบไม่รับผิดชอบว่าไม่ได้ไปเลยได้แต่เดินผ่านนั้นแหมเสียหน้ามากอย่าไปทาอย่างนั้น คืนนี้เป็นคืนที่สี่ก็มีการบำเพ็ญกุศลการบาเพ็ญกุศลจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบหกและวันที่สิบเจ็ดจะมีการพระราชทานเพลิงศพนะโยมนะให้ญาติโยมจำกันไว้ไม่ใช่จำกันไว้เฉพาะตัวขอให้ท่านทั้งหลายนำข่าวนี้ไปบอกกันไปบอกกันญาติโยมจะได้มาฟังเทศกันมากๆ นี่เป็นเรื่องที่ขอบอกเล่ากล่าวขานให้ญาติโยมได้ทราบได้โทษถึงกันนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาว่าในเรื่องการไม่มองข้ามก็คือเรื่องความไม่ประมาทนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดมงคลผู้ใดใครก็ตามนะฮะ เป็นผู้ที่ไม่มองข้ามเรื่องที่ควรมองแต่มีความคิดไตรตรองเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอเสมอบุคคลผู้นั้นน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำไมจะมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเพราะจะทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆอา้าวเช่นเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศเนปาล ท่านทั้งหลายคงจะได้รับทราบข่าวอย่างกว้างขวางแล้วแหละวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี้เกิดธรณีพิบัติที่ประเทศเนปาลไอจุดที่มันเกิดนั้นห่างจากกรุงกัดมันดุประมาณ50กิโลใกล้ๆ ก, กับเมืองโปกข่าลาทั้งสองเมืองเนี่ย อาตมาพร้อมด้วยพระเถระหลายรูปได้มีโอกาสไปเที่ยวจาริกแสวงบุญหลายครั้งหลายหนมีวัดทินดูเนี่ยซึ่งงามๆหลายวัดอยู่ตามบริเวณ น, นั้นนะแต่ปัจจุบันนี่ไม่มีแล้วโยมตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวนี่วัดทินดูซึ่งเราดูสวยสดงดงามปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว บางที่นี้เนี่ยเขารักษาไว้เป็นมรดกโลกเสียด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะสร้างมานานบางแห่งนี้สร้างมาประมาณสองร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีแต่ว่าบางแห่งสร้างไม่ถึงหรอกสร้างหลังจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนมันเกิดขึ้นประมาณแปดสิบเอ็ดปีเมื่อประมาณแปดสิบเอ็ดปีเนี่ยเคยเกิดธรณีพิบัติมาครั้งหนึ่ง ครั้งโน้นคนตายมากประมาณสี่ห้าหมื่นคนแต่ว่าคราวครั้งนี้ก็ไม่เบานยมนะเดิมทีเราเข้าใจว่าประมาณตายสามพันสี่พันแต่ค้นศพไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วยังค้นไม่เจอกันอีกหลายหมื่นศพที่ถูกซากอิดซากดินมันกลบอยู่ข้างใต้นะมีอีกเยอะเลยทีเดียว เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอยู่ว่าสำหรับวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัทส่วนใหญ่มีใจเมตตาเนี่ยกับอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายประการใดยมนึกดูนะไอ้นี่ไม่ควรจะมองข้ามคบคิดพิจารณาดูให้ดีว่าอยู่บนพื้นที่เดียวกันใกล้ๆกันเนี่ยแต่ทำไมบางแห่งนี่กลับได้รับ ความเสียหายอย่างหนักแต่บางแห่งก็กลับปลอดภัยจึงทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัดกับอนาถบินิกะเศรษฐีเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่จะเล่าเรื่องให้โยงฟังสักนิดหนึ่งว่าเย็นวันหนึ่งอนาถบินิกะเศรษฐีก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดพระเชตวันวัดพระเชตวันเนี่เป็นวัดที่ท่นานาอน า, าธบินิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าแล้วเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นอนาธบินิกะเศรษฐีก็มักจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเช้าบ้างไปเย็นบ้างเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีไรเนี่ยอน า, าธบินิกะเศรษฐีเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งใกล้ เหมือนกับญาติโยมเนี่ยเวลาเข้ามาวัดโยมก็นั่งใกล้ๆกับพระญาติโยมจะนั่งไกลๆ ก, ก็มีไม่กี่ท่านหรอกแต่นั่งไกลก็หมายความว่ายังพอมองเห็นกันยังฟังเสียงได้ชัดเจนไม่มีญาติโยมท่านใดเป็นนั่งอยู่ท้ายวัดเวลามาวันพระเนะก็มักอแกมานั่งอยู่ในวิหารอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามันนั่งใกล้ ที่มันนั่งใกล้กับเพราะว่าคุณโยมประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็แปลว่าผู้นั่งใกล้อุบาสิกาก็แปลผู้นั่งใกล้ถามว่าใกล้อะไรก็คือใกล้พระนี่นแหละญาติโยมต้องการจะมานั่งใกล้พระอนาตบิิกะเศรษฐีก็เข้าไปนั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตัดขึ้นมาว่ายังไงละโยมตั้งใจฟังนะ พระพุทธเจ้าเขเลยตัดว่าดูก่อนคฤหบดีหรือว่าดูกะระคฤหบดีผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่โกงกินทรัพย์สินคนอื่นผู้ที่ประพฤติผิดในกา ร, รมหรือประพฤติผิดประเวณีผู้ที่ชอบพูปดปลดมดเท็จหลอกลวงคนอื่นและผู้ที่ตกเป็นทาตุสุรายามเมา เขาผู้นั้นจะต้องประสบเวรภัยในปัจจุบันนี้และในอนาคตย่อมประสบกับทุกโทมนัตก็แปลว่าความเล่าร้อนใจตายจากโลกนี้ไปก็ตกนรกคือเข้าถึงสุคติเช่นไปเกิดเป็นเปรต เป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าจากการโกงจากการประพฤติผิดในการมจากการพูดปดมดเท็จเว้นสุดาราเมาได้เป็นอันเป็นเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะผ่านพ้นเวรภัยที่เกิดขึ้นในโลกนี้โยมฟังแล้วเป็นยังไง พระพุทธเจ้าสอนชาวพุทธเรานี่นะให้เว้นจากการสร้างเวรเว้นจากบาปกรรมทำชั่วอย่างน้อยห้าประการเป็นเบื้องต้นความชั่วห้าประการที่คนในศาสนาอื่นเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นกรรมดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าไม่ใช่ดีนะไอห้าประเภทเนี้ยห้าประเภทคืออะไรบ้างฆ่ากันไม่ดีขโมยกันไม่ดีประพฤติผิดประเวณีต่อกันไม่ดี โหกกันไม่ดีต่อปล่อยตัวเป็นทาสของสุรายาเมาทุกวี่ทุกวันมันไม่ดีพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ดีแล้วท่านก็สอนให้เราเนี่ยงดเว้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แต่มีคำสอนในาศาสนาอื่นเขาสอนว่าดีโยมได้ฟังไหมเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย ห้าวันเนี่ยตั้งแต่ต้นต้นเดือนพฤศจิกาจนเกือบถึงการเดือนเนี่ยแต่ว่าพิธีคึกโครมมากในตอนต้นต้นเดือนเนี่ยเขาเรียกพิธีฆ่าสัตว์บูชาเจ้าแม่กาลีเรียว่าเจ้าแม่กาลีก็แล้วกันนะฮะแต่ชื่อเขาเรียกต่างๆกันไปไปจับวัวจับควายจับแพะจับแกะจานวนห้าแสนตัว ให้มายืนทอดอารมณ์เต็มทุ่งเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยถือมีดแบบคมกริบนะจำนวนเป็นร้อยคนนะโยมเดินเข้ามาฟันคอสัตว์ต้องฟันให้ขาดฟันตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเลือดพุ่งกระฉูดส่งกินเหม็นคลุ้งไปบวเต็มท้องทุ่งเขาทำที่ไหนโ ย, ยมชื่อว่าปาริยปุรีหรือปาริยปุละ เป็นเขตชายแดนระหว่างเนปาลกับประเทศอินเดียตอนนั้นออกข่าวคนประนามกันไปทั่วโลกแม้แต่ชาวเนปาลก็ประนามกันใหญ่ไม่เห็นด้วยกับพิธีบูชาบวงสวงเจ้าแม่กาลีประเภทนี้หลังจากนั้นไม่ประมาณกี่เดือนยมนับไปสิพฤชจิกามาถึงเมษาประมาณห้าเดือนโอ้โหมันเกิดภัยพิบัติ เรียกกันว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นอยมมามบัณฑิตาคนในปานหลายคนตอนนี้หวาดกลัวเป็นการใหญ่ที่ลอดตายมาถ้าจะมาพูดให้ได้ยินถึงหูเขาตะมาจะบอกคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงยังไงมันก็ต้องมาถึงตัวคุณอยู่ดีจะหนีไปที่ไหนหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องความตายฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่าประมาทในเรื่องต่างๆอย่าเข้าใจว่าเรื่องที่ไม่ดีนั้นมันดีนะในขณะที่ผลแห่งกรรมไม่ดีนัมันยังมาไม่มาถึงตัวนี่เราก็ไม่กลัวไม่เกรงว่าไอ้ผลไม่ดีหรือผลแห่งบาปมันจะส่งผลต่อเราหรือไม่แต่ว่าการผ่านไปไอ้เรื่องที่เราไม่ดีทำไว้นี่แหละมันจะก่อเหตุ มันจะส่งผลต่อตนเองอยู่ร่ำไปนี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งโยมคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบกว่าปีเคยบวชเป็นพระมาประมาณห้าพรรษาแล้วก็ศึกออกมาเสร็จแล้วก็มามีครอบครัวทำมาหากินเหมือนกับคนทั่วไป สึกมาได้ประมาณสักแปดปีเกิดมีปัญหาในด้านสุขภาพตรงบริเวณคอหอยนิยมมาเกิดเป็นฝีขึ้นมาเสร็จแล้วก็มารักษาตัวที่ลงพยาบาลสิรีลาดก็รู้จักกันมาว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจนกระทั่งป่วยหนักอาตอมาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม เสร็จแล้วก็ไปถามว่าพี่ทวนเอ๊ะทำไมนี่เท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยทำแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดแล้วทำไมจูจ่ๆมันจะต้องมาจอดเนี่ยได้โรคภัยไข้เจ็บมันประหลาดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมายมย้อยเปิดเบาๆหน่อยถต่ามาเป็นโรคหัวใจเออตกใจหมดเลย นึกว่ามีโจรมาบกพ้นพระที่เอานี้เล่าเรื่องฟังต่อไปนะก็ถามว่าพี่ทวนทำไมจึงเป็นอย่างนี้แกชื่อทวนนะโยมแม้วันนั้นโชคดีก็อนตมาเหลือเกินแกได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังว่าท่านมหาผมนั้นเนี่ยเผลอสติไปหน่อยปัจจุบันบาปกรรมนั้นมันตามทันผมแล้วเนี่ย ถามว่ามันเรื่องอะไรตอนที่เกาอยู่บวชเป็นพระในอยู่จังหวัดเพชรบุรีอยู่วัดเก่าแก่โบราณแห่งหนึง่งซึ่งมีวัตถุโบราณมากโยมแล้วเขาก็เอาของโบราณไปบรรจุไว้ตรงนั้นตรงนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีพวกนักเลงค้าพระเนี่ยอยากจะได้พระกลุกสมัยเก่ารุ่นหนึ่ง มันก็อยากจะรู้นักกว่ายอยู่ตรงไหนแต่ว่าพระทวนเนี่ยในตอนที่บวชอยู่ก่รู้เพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่สิ้นบุญไปแล้วหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณคอพระปางองค์เล็กเนี่ยพระอาจารย์ของท่านเคยบรรจุพระเก่าแก่ไว้หลายองค์ทีเดียวก็เหมือนอย่างเจดีย์ที่วัดเราวโยมนะฮะ มีบรรจุของดีเอาไว้ที่เจดีย์สูงๆนั่นนะ่ะที่วัดเรานี่เจดีย์สูงหกสิบเมตรนะไม่มีขโมยคนไหนมันกล้าปีนขึ้นไปถ้ามันปีนไปได้ก็เสร็จมันเหมือนกันในที่สุดไอ้ขโมยพวกนี้มันก็มาถามพระทวนพระทวนแกก็เลยเผลอบอกไปแล้วก็ยังพูดอีกด้วยว่าถ้าหากว่าได้มายังไงก็แบ่งกันสักองสององนะเนี่ย ผู้ไปถนองนั้นมันไปเจาะในตอนกลางคืนได้มาจริงๆโยมเจาะตรงคอจะดีเสร็จแล้วก็พระแบ่งให้พระทวนเนี่ยหนึ่งองค์เป็นพระอะไรโยมเป็นพระร่วงรางปืนสมัยสุขโขทยัยอ่ะพระทวนก็กระิ่มยิ้มย่องเลยในตอนนั้นนะเสร็จแล้วตอนที่เกศป่วยอยู่ที่โรงพยาบาศลศรีราชปรากฏว่า ภาพต่างๆที่เเคยทำในสมัยอดีตเนี่ยมันลอยนวนผุดโผ่อยู่ในหัวใจแกสั่งให้คนบอกมาไปบอกมหาบุญมามาเยี่ยมหน่อยสินิมนต์หน่อยอาตมาก็เลยไปเยี่ยมแกเลยเล่าเรื่องนี้ให้ตมาฟังว่าเนี่ยที่สาเหตุโดนเจาะคอเป็นฝีในคอหอยเนี่ยก็เพราะเป็นตัวชี้ให้ขมโมยมันไปเจาะใจดี เพื่อไปเอาพระเก่าโบราณออกมาขายผลกรรมมันแรงมากเพราะเทวดารักษาเจดีย์เขาไม่ยอมแล้วในที่สุดก็เลยส่งผลทําให้เก็บเป็นมะเร็งในลําคออยู่นี่คือเรื่องซึ่งมันนำมาเล่าญาติโยมฟังฉั้นเราไม่ควรประมาทอันเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ไม่ควรประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่อรตมเทศนีญาติโยมคุยเสียงดังว่าจะประมาทนะ เพรเดี๋ยวเป็นมะเร็งในป่า ก, ก็จะมาไม่รับรองนะเพราะเวลามีใครพูดเสียงดังแล้วจะมาก็มักจะหยุดเทศเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อกี้นี้จะเปิดประตูเสียงดังอภัยกันไม่เป็นไรไอ้นั่นถือว่าเป็นการปลุกญาติโยมที่นั่งหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมามีสติฟังเทศฟังธรรมกันหน่อยโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าเราชาวพุทธทั้งหลายควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะความประมาทนั้นเป็นทางให้เกิดความวิบัติเสียหายหลายหลายประการสู้ความไม่ประมาทไม่ได้ความไม่ประมาทนั้นเป็นทางปลอดภัยเหมือนกับญาติโยมชาวไทยที่มีความปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ประมาทเราหาโอกาสรักษาสิ้นบาเพ็ญทานเจริญภาวนาว่าไปเรื่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราและประเทศของเรา มีความประมาทดังในที่อดัมม า, าพาชี้แจงแสดงมาด้วยประการะชนีรัตนัตยานุภาเวนะด้วยเดชะกุศลผลบุญและด้วยอำนาจแห่งคุณประสีรัตนรัยขอจงได้ช่วยอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพรระปฏิพานธรรมสารสมบัติ ประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จดังที่ท่านประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารมีในดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ Yeah.